ฟังธรรมกันพูดกับทุกคนเพราะว่าเวลานี้เราพากันมาเจริญสติมีกรรมมีงานมีการคนผู้ทำงานก็จ ะ, จะต้องเห็นปัญหาต่างๆ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 เหตุใดปัจจัยต่างๆแต่ว่าเวลาทําจริงๆมันไม่ใช่ข้อมูลที่เราได้มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะทํางานทาการหลายอย่างเช่นเราเดินทางเราเดินทา ง, าทางมันก็จะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแสงแดดละอองฝน ผูคลั่กที่ก้าที่เดินบางทีอาจจะสะดุดหลักตอถึงกล่มถึงเก็บก็มีมันไม่ใช่ปัญหาเป็นการเป็นลักษณะของผู้เดินทางต้องร้อนต้องหนาวต้องเหน็ดเหนื่อยมื่ล้าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านันม่ใช่เป็นอุปสรรค สำหรับนักเดินทางสมัยก่อนคนโบลมโบลอนก็เดินออกเดินทางเขาจะพูดกันแต่เรื่องการเดินใครเดินเจ่งจากอำเภอหนองเรือมาอำเภอแจ้งคร้อเดินจีชั่วโมงมาจินนข้าวเที่ยงออกจากหนองเรือมาจินนข้าวเที่ยงแจ้งคร้อ เ, เขาเขาลุยกันเราก็อยากเก่งเหมือนเขาเราก็เพียรพยายามที่จะเดินทางคนที่เดินทางห้าสิบกิโลน่ะใช้เวลาเพียงหกเ็ดชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็แสดงว่ามีความเพียรเราก็ทำทําดูตรงเวลากินข้าวต้องเดินกิน ออกเข้าแขนเอวเดินยินอ่มันก็ได้แล้วเมื่อเราทำได้มันก็เราก็ยังภูมิใจหรือเราทำไรทำนาเราไถนาเหลือบจงลมแดดแสงพ้นแสงแดดลองพ้นหอาวบ้างร้อนบ่างเราก็ลุยลุยได้ นี่สำหรับผู้ที่ทำงานสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติวอมง่ว ง, วงเมาหอนนอ น, นอเนี่ยมันก็ต้องมีสำหรับผู้เจริญสติมันโชว์ให้เราเห็นความสุขความทุกข์ควา ม, วามรู้ความไม่รู้ความลังเลสงสัยแสดงว่ามันโชว์ทำให้เราหลงเราจะต้องมาหลง จะต้องไม่ถูกเสียงเราดั่งหลอกโดยเฉพาะเรื่องกายเรื่องกิจมันจะต้องแสดงให้เราเห็นหลายๆอย่างบางทีมันเป็นนิสัยมันติดอะไรมาสำหรับชีวิตรเราบางทีมันก็สะดวกสบายหลายอย่างชีวิตที่ไม่เคยต่อสู้กับอะไร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 เราจะไปเจอสิ่งเหล่านี้ทิ้งความเพียรทิ้งสติก็มีมันแต่บางคนพอไปเจอสิ่งเหล่านี้เขาไม่ทิ้งสติแน่วแนว่ติดตามไปติดตามไปเอาไปเอามาสิ่งที่มันโชว์มันหลอกกลายเป็นของเหลวไหลลูกแข้งอย่างบางคนสองวันสามวันเนี่ยพอได้หลักแล้วตามที่ไปถามดู ขอโทลงพ่อมันเอาเกียงๆเนาะความคิดเนี่หิ้ยเราไปสุขทุกข์ก็เกิดจากความคิดเอาสิ่งที่เกิดนิมิตมาเป็นเครื่องตัดสินว่าสุขว่าทุกข์มันไม่ใช่เสมอไปถ้าเรามามีสติตัวเกียงๆแล้วมันถูกหลอกหลอกให้สุขหลอกให้ทุกข์จากนิมิต จากสิ่ง ต, งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสอบหลอกให้แพ้หลอกให้ชนะว่าดีว่าไม่ดีพัดเข้าไปยากก่พัดเข้าไปผู้เจริญเศิษจีงเียงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เราสูงขึ้น ความยากก็ทำให้เราไม่สติขึ้นความง่ายก็ทำให้เราไม่สติขึ้นความผิดก็ทำให้เราไม่สติขึ้นความถูกก็ทำให้เราไม่สติขึ้นไม่หวั่นไหวกับที่ใดความรู้สึกตัวแน่มันไม่เหมือนการทำอย่างอื่นถ้ามันสุขก็เห็นมันสุขอ่า้ามันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์่นัไม่เสียหายแต่มันหลงก็เห็นมันหลง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 อะไรเก in oh, <cool. S 2> ิดขึ้นก็เป็นสติอยู่เสมออะไรเกิดขึ้นก็เป็นสติเสมอจะเป็นความสุขเกิดขึ้นก็เป็นสติจะเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นสติจะเป็นความรู้ความไม่รู้เกิดขึ้นก็เป็นสตินี่เรียกว่ามาตสถานหรือว่าอมตะเราต้องสร้างแบบนี่ให้ได้ให้เข้าถึงชีวิตแบบนี้จึงจะเป็นชีวิตนิรันดร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 ก็พัดเข้าไปในความสุขความทุกข์ที่แท้ก็คือมูเดียวปัญญามันก็เกิดลักษณะแบบนี้แหละเกิดปัญญาก็เปิดอย่างนี้ยิ่งเราถ้าดูไปดูไปดูกายมันก็มีจริงๆกายเอามาสร้างความรู้มันก็ได้จริงเก่งเอากายไปสร้างความหลงก็มีจริงๆเมื่อเราเอากายมาสร้างความรู้ความหลงมันยังจะแย่งเอาไปขึ้นไปให้เกิดความหลงเรื่องของกายเรื่องของจิตประมาณกัน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 ตรงกันข้ามมันหลงรู้สึกตัวนะมันเกิดอะไรขึ้นกับรู้สึกตัวเนะ่ยรู้สึกตัวเนะี่ยอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมจนว่ามันพร้อมรู้สึกตัวมากรลอว่าสติอินทรีย์เป็นใหญ่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเรา แต่ก่อนแม่มันตามันหูจมูกลื่นกายใจลูบรถกลิ่นเสียงมันเป็นอินทรีย์มันใหญ่มันแย้งกันเป็นใหญ่ ต, ตามันเป็นใหญ่กับไปกับตาถ้าหูมันเป็นใหญ่กับไปกับหูถ้าจมูกลื่นกายมันเป็นใหญ่กับไปกับกายใจมันเป็นใหญ่กับไปกับใจที่มันถูกกรุงกรุงแต่งๆไปรัปรปบใช้สิ่งต่างๆจนเป็นจริตนิสัย วันนี้เรามาขอดิตใสมาขอนิดใสใหม่ขอนิตใสจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายถึงมาสร้างความรู้สึกตัวนะมาขอเิตใสมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวนะอววนะเอานิดใสได้นิดใสง่ายที่จะรู้ง่ายที่จะรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างนี้น วารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ได้เน็ตใสเป็นสติอินทรีย์สติอินทรีถ้าใดเป็นใหญ่ก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วใหญ่กว่าตากว่าหูจหมูกเล่นกายใจรู้ลดยินเสียงอละนั่นเป็นเป็นเสิ่งที่ทําให้สนับสนุนให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ก่อนเสื่อแล้วนั่นสนับสนุนให้เกิดความร้ง เราเป็นสุขเป็นทุกข์ก็อาศัยนิมิตอาศัย น, นิมิตทําให้เกิดสุขเกิดทุกข์ในลามิตสุขสุขเพาะมีนิมิตทําให้สุขทุกข์เพราะมีนิมิตทําให้ทุกข์เราก็เสียเวลาเสียเวลาไปโกรธไปโลภไปหลงเสียเวลาไปหมกมุ่นคุณคิดสินเปืองพลังงานโดย ไม่จำเป็นดนี่เรามามีความรู้สึกตัวมามีความรู้สึกตัวเรียกว่านิลามิตสุขถ้าเป็นสุขสุขที่ไม่อาศัยในมิตอันใดอาศัยธรรมเองธรรมเองสติเองความรู้สึกตัวเนะี่ยต้องสร้างให้มีในชีวิตเราถ้าเราไม่สร้างมันมีไม่ได้จเจ้าเหตุเอาผลอันใดไปแบ่งไปปันกับใครไม่ได้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 จะเป็นการเกิดการเจ่การเจ็บการตายก็เป็นอันดึงคนเราพบคนเราชาติสินส้นพบสิ้นชาติคนละภูมิความหลงกับความรู้มันคนละภูมิก่อนเรีว่าภูมิธรรมภูมิศิลภูมิธรร ม, ม, รรมให้ถึงภูมิให้มันพึ่งได้ไม่จิตมีใจไม่สติมันก็พึ่งได้แต่ก่อนไม่ใจมันก็พึ่งไม่ได้ เอาใจไว้รักเอาใจไว้ชังเอาใจไว้โกรธไว้โลภไว้หลงเอาใจไว้วิตกกังวลมันใช่จิตใจผิดผิดเอาใช่ไม่เป็นบางทีมันใช่เราด้วยในใจมันทึ่งไม่ได้คุม้มร้อยคุ้มดีผูผูแผลแผไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่บั่นใจตัวเองอย่างนี้มันจะมีค่าอะไรชีวิต เ, เรา กิจใจที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยกิตตังทันตังสุขวะหังกิจที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้แต่กิจที่ยงไม่ฝึกก็นําความทุกมาให้กิตตัสติดกิตตัสนิยติโลโกโ ล, โลกอันกิตย่อมนําไปถ้าเราไม่ฝึกมันก็เล้อย่อมนําไปถ้าพฝึกก็นาไปอันเดินมันเป็นอย่างนั้ น, น, น, นกนิจใจของเรา จึงเป็นเรื่องที่มีกายไม่ใจเพื่อให้มาฝึกหัดถ้าไม่ฝึกหัดมันก็เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยมีภัยที่เกิดกับกายกับใจมากมายอยู่แล้วถ้าเราฝึกมันก็ไม่มีภัยเป็นแต่ธรรมชาติเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นธรมธรมดาธรรมดาไม่มีโอปปท า, านไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเป็นตน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 หมดเนื้อหมดตัวไปกับความสุขหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์หมดเนื้อหมดตัวไปกับความร้อนความหนาวหมดเนื้อหมดตัวไปกับความเจ็บความปวดไม่มีที่อาศัยเป็นเป้าให้สิ่งต่างๆถูกสอนถูกยิงเก็บปวดจู่เข็นนั้นไม่ใช่ยีวิตไม่ต้องเป็นอย่างนั้นยีเวทมันต้องเนื้อกวานั้น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 เคื่อนไปอยู่นี่นั่งอยู่นี่มันเป็นรูปเป็นมันลู่จากล้นจากหนาวเท่ามันลู่จากทำโน่นทำนี่คิดโน่นคิดนี่มันเป็นนามมาทำมันเป็นรูปเป็นนามมันเป็นก้อนมันเป็นกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มของรูป ก, กลุ่มของนามมันเป็นธรรมชาติมันเป็นด า, าราที่เกิดขึ้น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 โอ้มาเห็นเขาโอ้มันเป็นอาการของเขาไม่ใช่ตัวใช่ตนเด็ดขาดเ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปมีสติสัญญะไม่เอามาเป็นทุกข์เอามาเป็นทุกข์เป็นปัญญาได้ปัญญาเพราะรูปมันแสดงปัญญาเกิดจากรูปแสดงอาการต่างๆธรรมาชาติต่างๆปัญญารอบรูปในกองสังขารของรูปหรือวกายยสังขาร เอามาเป็นวิสังขารรูปมันปรุงแต่วิญญาไม่ไม่ปรุงมันคนละส่วนความเจ็บที่เกิดขึ้นกับรูปความเจ็บที่เกิดขึ้นกับนามแต่ก่อนมันเป็นเช่นนั้นมันทุกสองต่อถูกสอนสองดอกดอกตึงก็ถูกรูปดอกตึงก็ถูกนามเช่นความหิวรูปมันถูกสอน เอ้าไปถูกนามอีกน้ําคือจิตใจก็เป็นทุกข์ไปอีกถูกศอนสองดอกปุตุชนเนี่ถูกศอนลูกศรนสองดอกสอนคือทําให้เจ็บปวดปุตุชนถูกลูกศอนสองดอกสําหรับพระเลียเจ้าพระเรียบุคคลถูกลูกศอนดอกเดียวเฉพาะลูกเท่านั้นน้ําไม่มีถูกไปเลยแต่ตลอดจนตายท้าพุทตา ถ้าไม่ฝึกขาดอาจจะน้ำถูกล้ า, ากาลัวโรคอีกคอยเจ็บคอยปวดไม่มีอะไรถูกก็เจ็บปวดไปความคิดคิดขึ้นมาก็ทําให้เจ็บปวดตัวเองทําลายตัวเองเหมือนลูกระเบิดลูกระเบิดมันทําลายตัวเองย่อยยับมันก็ไปทําลายคนอื่นบุคคลที่ไม่เคยฝึกกิดใจเนี่ย น้ำมันทำลายตัวเองแล้วแล้วก็ไปทำลายคนอื่นเองมันเป็นอยู่เช่นนี้หรือชีวิตเราควรที่จะศึกษาควรที่จะไม่จำนนต่อสิ่งเหล่านี้เราโกรธเกลียดขลังเกลียดโหนเราทุกข์เรืองอะไรต่างๆเกียขลังเกียหนควรที่จะหาทิศหาทางแล้วมันก็มีแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบจนได้หลุดออกไป ตัดสลู ส, สมมาสัสมโพธิยานสอนคนอื่นให้รู้ตามนี่แหละเรามาตามรอยพระพุทธเจ้ารอยพระพุทธเจ้าก็เดินอยู่บนสติอยู่บนศีลบุญสมาธิบนปัญญาลอยของพระองค์เรากําลังตามลอยอยู่ไม่ใช่ลอยพระบาทที่เหยียบก้อนหินที่เป็นลอยอ่นนะก็เป็นอันหนึ่งเราก็ไปกราบไปไหว้อันนั้นถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราก็ ประโยชน์น้อยลอยพระบาทจริงๆคือเนี่ยตามความรู้สึกตัวเข้าไปจนเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาศีลกําจัดจิเลสอย่างหยาบสมาธิําจัดจิเลสจาง ก, กลางปัญญากําจัดจิเลสอย่างละเอียดเป็นพระก็เกิดตรงไหนพระก็เกิดตรงไหนพระสงฆ์เกิดจากพระสิธรเมการปฏิบัติตีเป็นต้น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 ให้ได้หลักกว่าเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นนเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นมันล้นเห็นมันล้นไม่ใช่เป็นผู้ล้นนั่นเรียกว่าส ก, กยิยทิฐิหมดไปแล้วสําหรับพระเดียบุคคลชั้นต้นอะไรเกิดขึ้นกับรูปความนามเห็นไม่เข้าไปเป็น เหนือแล้วเหนือลูกแล้ววะนะไปแล้ววะนะขึ้นสูงไปแล้วมนุษย์แล้วถ้าเป็นแล้วก็ต่ำลงไปแล้วถูกทับ ถ, ถูกถมแล้วความรอนก็ทับถมความหนาวก็ทับถมความเจ็บความปวดก็ทับถมทับถมความโกรธความทุกข์อะไรต่างๆทับถมลงไปจีชั่นจีหลบเหมือนพยานาฏ พระพุทธเจ้าตัดสะู้ถาดทองลงไปซ่อนกับพระลูกจีใบพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพญานาก็ได้เย็นถาดทองไปซ่อนกันปับ๊บตื่นขึ้นมาโอ้มีพระพุทธเจ้าได้ตัดสะล้ขึ้นแล้วองค์ที่หนึ่งแล้วกุกุสันโทโคโนาคพโนกัสโปโคโทม โ, โอรียเมตไยโย อ, องค์ที่ ได้เราตื่นืีหนึ่งตื่นทีหนึ่งพอได้ยินเสียงถาดทองซ่อนกันลงไปโอ้ตัดสรุยอยีกแล้วเราก็หลับไปเองซ้อนกันอยู่ตรงนั้นไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิก บ, บานหมกมุ่นอยู่ใจก้นบึง้งก้นหน้าก้นน้ําก้นดินที่ไหนไม่รู้เราจึงมายกขึ้นมายกขึ้นมา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 ทำไมฝนมันตกเพราะมีคนเมฆเพราะมีแสงแดดถ้าจะเป็นปดิจจสมุปบาทเห็นเหตุเห็นปัจจัยชัดเจนไม่ใช่กรรมใช่เวรไม่ใช่เคะเห็นเวรกรรมมันมีเหตุต่อกันทช่เราจะเป็นทุกข์มันต้องมีเหตุก็แก้ที่เหตุเยธัมมาเหตุปปภาวะนะทีกสิ่งต่างๆเกิดแต่เหตุแก้ที่เหตุอาตาปัสกิ สอนภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรได้พรลลุดทำเลยเขาลบพระอัสสกิถือว่าเป็นอาจารย์คนแรกจะถือเป็นอาจารย์พระอัสสกิบอกว่าไม่อย่าเลยพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของเราพระอัสสกิบอกพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนภาษาลีบุตรถามพระอัสสิพระอัสสิก็บอกนู่นอยู่กรุงเราจะคึกเขาถึงพระพุทธเจ้าก็ะธรรมพระสงฆ์นู่น อาสารีบุตเคารพพระอัศกิได้ยินว่าพระอัศกิ <c oughs> อยู่ทางทิศใดสอบถามตลอดเวลาแล้วหันหัวเวลานอนหันหัวไปทางทิศพระอัศกิอยู่เพราะได้ฟังธรรมที่เป็นความลึกซึ้งเยธรรมาเหตุปพพวสิ่งต่างๆเกิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุหตรงนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเรียกว่าเห็นธรรม เห็นเราโกรธทำไมเราจึงโกรธโอ้พาะเราหลงเราทําไมจึงหลงเพราะเราไม่มีสติทําไมเราจึงไม่มีสติเพราะเราไม่ได้สร้างทําไมเราไม่ยังไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาไม่สนใจปล่อยให้โกรธแล้วโกรธเ ด, ดกหลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายหลวงพ่อเคยพูดอยูเอ่เสมอว่าควรที่จะหลงควรที่จะหลงเป็นขั้งสุดท้าย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 ความทุกข์มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตามันก็ได้หมดอยู่ใต้ดินที่ไหนมันโชว์ให้เราเห็นอยู่เราต้องท่องแก่วันรถที่มีสมองดีเวลามันรุยน้ําก็บอกว่าบรรลุน้ําต้องช่วยมันเสียเวลาน้ํามันหมดมันก็บอกว่าน้ํามันหมดเราก็ต้องช่วยมันเรียนซะถ้าใช่มันเก่งๆเนะ่อ่าน้ํามันหมดความแดงมันก็ไว้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 ประโยชน์ของเราที่เกิดมาอะไรตรงไหนนี่แหละปฏิบัติธรรมทำไหมจึงต้องปฏิบัติธรรมเพราะมันมีอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมสามสี่ห้าวันเห็นมันหลงไหมเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไหมเห็นมันเบื่อไหมเห็นมันขี้เกียจขี้คลานไหมเห็นมันเครียดไหมโอ้มันจะต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตหรือสึ่งเหล่านั้นมีสติลงไปมีสติลงไปรู้สึกตัวลงไปรู้สึกตัวลงไปนี่ สิ้นพบสิ้นชาติมันหลงที่ไรก็ทำความรู้สึกตัวความหลงสิ้นไปแล้วมันหลงอีกรู้สึกตัวอีกมันจะอยู่ได้ยังไงมันเราปราบยาคาป่าพงที่วัดป่าสุกโตยาคามีที่ไหนปราบมันมันเป็นเชือกไปป่าพงอยู่ที่ไหนปราบมันมันเป็นเชือกไปแต่ก่อนแถวสลาหอใตเนี่ยป่าพง่าญาคาทั้งนั้น เดี๋ยวนี้ก็เป็นต้นยางขึ้นพอปลูกยางขึ้นแล้วก็เฮ็ดละโงกเกิดขึ้นมาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิใหม่อะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนภพภูมิใหม่แล้วภูมิป่ายางภูมิเห็ดละโงกภูมิรล่มเย็นไม่ไม่ไฟเข้ามาได้แล้วมันไม่มีเชื่อนั่นไม่มีเชื่อนี่เปลี่ยนภพภูมิให้กับตัวเราก็ไปยอมอยังไงเราต้อง เป็นเจ้าของกายของใจสติสมชัญญาคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยเฝ้าดูเหมือนเราไม่ีบ้านไม่เรือนมีเจ้าของดูแลอะไรที่มีเจ้าของดูแลสิ่งเหล่านั้นก็ปลอดภัยไม่ใช่เถื่อนของเถื่อนของสาธารณะเขาทำให้เราโกรธแล้วก็โกรธโอ้ยมันสาธารณไม่ใช่เรา เขาทให้เราหลงเราก็หลงโอ้ยสาธารณะสํมสอนต่อเป็นจิตก็เป็นจิตสํมสอนคิดอะไรก็ได้มันโสเพณีกิตเขาหอบเพี้ยวาไไนายก็ได้อยจะคิดอะไรก็ได้เขาคิดให้ลักก็ลักเขาคิดให้ชังเขาคิดให้กโกรธเขาคิดให้ทุกข์เรียกว่าโสเพณีกิตเป็นจิตที่ต่ําต้อย ต้องเป็นจิตที่ไม่เป็นโสเพณีเป็นจิตที่เป็นชัดเจนแม่นยำของมีเจ้าของดูแลปลอดภัยอยู่ทุกโอกาสนะเดี๋ยวนี้เราดูแลตัวเราไม่ค่อยเป็นปฏิบัติธรรมคือมาดูแลกายใจของเราอยู่กับกายกับใจให้อยู่นานๆรักกายรักใจรักตัวเอง รักตัวเองเนี่นะเอาจริงๆดีกว่ามันเปิดเสิร์ตกว่ารักคนอื่นถ้ารักตัวเองเป็นแล้วก็รักคนอื่นได้ง่ายแต่ช่วยตัวเองเป็นแล้วก็ช่วยคนอื่นได้ง่ายถ้าดูแลตัวเองคุ้มแล้วก็ดูแลคนอื่นคุม้มนะถ้าดูแลตัวเองไม่คุม้มหลอกโอ้ยมันก็จะมีอะไรที่จะต้องไปบอกไปสอนคนอื่นอเพรา ะ, ะนักสอนธรรมะยังกินมากยังสูบุรี่ ยังโกรธอยู่คนผอมขายยาอ้วนไม่ใช่ต้องทำให้เขาดูต้องอยู่ให้เขาเห็นต้องพูดให้เขาฟังอ ะ, อะไรที่เราทำได้ยังไงก็สอนอย่างนั้นเรารู้สึกตัวเราไม่สติก็สอนให้คนอื่นไม่สติถ้าสติอยู่กับเรากับสติอยู่กับเขาก็อันเดียวกันเห็นเรามาพพลกมือรู้สึกตัว่ยรู้ไหมรู้ไหมเอออันเดียวกัน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 อะไรก็ตามมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวเมื่อมีแต่ความรู้สึกตัวอะไรมันจะเกิดขึ้นพิสูจน์กันตรงนี้พิสูจน์กันตรงนี้พิสูจน์กันตรงนี้เ <c oughs> ราบดิจะคกบไอี๋โ้ใดมีสติต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเกียรวันหนึ่งเดือนถึงเกีเดือนหนึ่งปีถึงเกียรปีจะเกิดพระอริยะใ น, นสงฆ์สองประการหนึ่งเป็นพระอนาคามี ผู้มีภพอันเดียวสองเป็นพระรหันต์ผู้สิน้นภพคำว่าภพเดียวเดี๋หลงปับ๊บไม่หลงอีกแล้วเรื่องนี้โกรธปับ๊บไม่โกรธอีกแล้วเรื่องนี้ภพเดียวพระอนาคามีมีภพอันเดียวไม่ใช่ตายาแล้วเกิดเกิดแล้วว่าปฏิบัติทำอีกกตายไปอีกเกิดมาแล้วปฏิบัติทำอีกจึงค่อยจะได้บรรลุธรรมมาใช่มันหลงปั๊บเดียวก็โอ้ย แม่เห็นจริงๆชื่นใจเห็นความหลงมันทุกข์ตื่นเฮ้ยชื่นใจเห็นความหลงมันโกรธชื่นใจเห็นความโกรธปัทโทปัโตปัทโทหรือว่ า, ว า, วาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราออกมาบริกรรมที่จริงมันตื่นทุกข์มันตื่นทุกข์นะนี่เราโกรธเจี๊ยครั่งเจี๊ยหนเรื่องเราโกรธเจี๊ยครั่งเจี๊ยบ้าง ท, าง ท, างางทีโกรธแล้ววันนี้เอาไปนอนอยู่บ้านจังหวัดบุริลำเอาคิดถึงเรื่องนั้นโกรธอีกเอา นอนอยู่บ้นคิดถึงแล้วนั้นโกรธอ้าวไม่สุกตัวคิดถึงแล้วนั้นโกรธดีคิดถึงเรื่องนั้นหลงอีกคิดถึงเรื่องนั้นรักอีกคิดถึงเรื่องนั้นชังอีกตัวเองปุ๊กอยู่ตังนั้นเอาเรื่องเก่ามาคิดแล้วก็รุงปุ๊กแต่เรื่องเก่าเรื่องเก่าย่ำคิดเรื่องเก่าบางทียิ่งคิดมากแล้วเรื่องใดที่ทําให้เป็นทุกข์ทำให้โกรธอามาคิดจริงความสุขมีเยอะแยะความไม่โกรธมีเยอะไม่แชร์ออมาคิดเลยบางคน ชอบคิดแต่เรื่องที่ทําให้โกรธทาไมทุกข์เขาว่าก็เราเขาว่าก็เราทําไมจึงทําอย่างนั้นทําไมจึงทำอย่งางนี้มันติดนะมันติดเขาเรียกว่าวิบากกรรมไม่สิ้นกรรมเอามาคิดอยู่เลยเอามาคิดอยู่เลยเรียกว่า ม, กรรมามีกรรมติดตามกรรมติดตามกรรมตามทันไม่สิ้นเวรสิ้นกรรม มาล้างเวรกรรมรู้สึกตัวเนี่ยลบกรรมแล้วตัดกรรมแล้วใครจะเป็นยังไงก็ตามรู้สึกตัวอะไรที่มันปุ๊บไปคิดไปนวนรู้สึกตัวเนี่ยทำให้กรรมมันสิ้นไปแม้มันมีอยู่ก็บเบาบางกรรมเบาบางกรรมเบาบางความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวถมลงไปถมลงไปถ้าจะเปรียบมันน้าที่มันไหลโยนก็สอบถายลงไ ป, ปบึ้มลงไปอา้าหายแวบไม่เห็นเลย โอ้ยหมดหวังแล้วไม่รู้อะไรแล้วปฏิบัติมาในสองวันสามวันไม่รู้เลยอ้ากระสอบทายมันไปนอนอยู่ค้นน้ำโน่นมันก็ทําหน้าที่ของกระสอบทายหนึ่งกระสอบโยนลงไปอีกสองกระสอบโยนลงไปโยนลงไปอีกกระสอบทายที่โยนลงไปไม่เสียหายไปไหนมันก็ทําหน้าที่โยนไปโยนมาถมลงไปตัวเสองวันสามวันโยนลงไปเอ้าไปมากับค้นน้ำขึ้นมา พุนขึ้นมาโอ้โหก็ขวงกันแบบเต็มลงไปขวงกัน้นความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ขวงกันบาปอกุศลทั้งหลายนะให้มันเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาเอาไปเอามาก็เป็นเขื่อนเป็นเขื่อนขวงกันยิ่งเลสธรรมทั้งหลายได้เหมือนกัน จะไปประเมินรู้สึกตัวมันก็เป็นความรู้แล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่เราทํากับมือของเราทํากับตาแล้วทํากับชีวิตของเรามันหลงก็เห็นของความหลงจริงจริงแล้วก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้จริงๆงนี่มั่นใจวันทุกข์เห็นวันทุกข์จริงๆก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรูมททมทม้ทันทีนี่ก็ อ, อย่างนี้นะเรียกว่าปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนภาวนาคือเปลี่ยนล่เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้เปลี่ยนสุขเป็นรู้อะไรก็ตามเปลี่ยนมาเป็นอันเดียวเปลี่ยนมาเป็นอันเดียวมันจะอยู่ได้ไหมล่ะถ้าทำอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปแม่นปฏิปัติได้ให้ผลได้สำหรับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราทำ สามารถปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกการผู้ปฏิบัติต้องอยู่รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรเจ้าผู้ปฏิบัติอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปอที่ฐานอะไรต้องทำลงไปกัโจนลงไปจริงๆยกมือรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวเอา้ามันเรื่องเดียวน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นให้ให้มีกรรมมีการกระทำจริง เิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราทำความเผิด น, นั่นแหละก็ให้เห็นมันซะจะได้ไม่หลงกับมันอีกมันหลงให้สุขมันหลงให้ทุกข์มันหลงให้ขี้เกียจที่คานเบื่อได้มันมานนั่นน่ะกิเลสมานขันธมานสังขานมานมัจจุมานเทวบุตรตมานรเทวบุตรตมานคิดถึงที่นอนหมอนมุ้งคิดถึงอาหบ้านคิดถึงความสะดวกสบาย ที่บ้านสะดวกขั่วอยู่นี่อยู่วัดป่าสุขโตน้ำแดงแดงอาหารก็จําเจก็เดินอยู่อย่างนี้อยู่ที่บ้านนั่งห้องแง่ไหนเทวบุตรธรรมก็ขวงกั้นเหมือนกันไหนอะ่อนแต่คิดถึงแต่ความสะดวกสบายเห็นพระพุทธเจ้าภาษาอะไรพวกเราประศาสตรสามฤดูฤดูฝนอยู่หลองหนึ่งฤดูร้อนอยู่หลองหนึ่งฤดูหนาวอยู่หลองหนึ่ง เวลานั่นพระองค์เป็นนั่งอยู่ใต้ต้นโพก็ย่อมคิดถึงประศาทสามระดูคิดถึงสาวสนมกำนันไหนคิดถึงพิมพาราหุนเมียสวยลูกน่ารักคิดถึงทรัพย์สินสะดึงคานคิดถึงพระปลัดชับวีดาบริวารทั้งหลายแลย่อมคิดไปโอ้เทพบุตรตมารอานนั่งอยู่ในต้นโพลมพัดพก็ถูกแล้วองผลก็ถูกฝนตกมาก็เปียกบางทีเหลือบยุงริดไหลงูเลื่อยมา สัตว์เลื่อยมาสัตว์ต่างๆปู่าสมัยก่อนอยู่เนี่ยประมันกันงูเห่าโดงเยขู่เก่งเดินไปห้องน้ําแล้วนั่งอยู่ในห้องน้ํามันคู่เราหู่หู่ขู่บางทีมีไก่มันกั ด, กดไก่ตายเ อ, อกมากัดแล้วมันคู่เราเราก็อยู่คนเดียวโอ้เราจะไปฆ่ามันก็ไม่ได้นะ้อ มันขู่เก่งสม่ไหก่อนเก่งก็เห่าเก่งช่างก็คู่เก่งอะไรต่างๆคิดแต่โอ้หนีไปกลัวกลัวตายมัดจุมานกลัวตายกลัวเป็นไข้มาลาเรียกลัวงูกัดกลัวต้นไม้ล่มทับเวลาลมมานนหนีไปไหนไม่ได้ต้นไม้ล่มเขาขึ้ข้ามขึ้นข้าอกลัวอะไรก็กลัวหมด ควมกลัวคิดขึ้นมากลัวมีไหมคิดขึ้นมากลัวมีไหมมีมันก็คิดขึ้นมาเรากลัวกลัวความคิดตัวเองยังไม่เป็นอะไรก็กลัวแล้วอเพราะนั้นกิเลสนั้นคือติดอะไรมาติดบุหี่ติดเล่าติดสุขติดทุกข์อะไรมาขันธมารอะไรขันธมารลูกเวทนาสัญญาสังขารเว ญ, ญานโอ้ยสังขารไม่ได้ปวดหลังปวเดเอวลงพอ่อนั่ง ขัดสมาธิก็ไม่ได้ไม่ทำไมได้คิดเรื่องขันเจ็บปวดอุ้ยไปคิดทำไมนั่งไม่ได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ทำก็ยังไงห้อยขาก็ได้เหียดขาก็ได้พับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้ไมีอริบทเยอะแยะที่เราจะต้องสร้างสติไม่เกี่ยวกับรูปแบบอะไรถ้ามีสติเรามาฝึกขันไนีเพื่อให้เกิดสตินะ ทุกคนต้อต้องมีโอกาสปฏิบัติยังหายใจได้อยู่ปฏิบัติได้ทิบตาได้อยู่คืนน้ำลายได้อยู่ปฏิบัติได้อันจานกรรผลเขียนจดหมายมาถึงหลวงพ่อเขาว่าเขาเป็นคนพิการมีแต่ลิบทนอนอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้อ่าเขาบอกว่าปฏิบัติทำได้ไหมเขาบอกว่าได้หายใจอยู่ก็ปฏิบัติได้ลูกสึกตัวขณะหายใจเข้าหายใจออก เขาก็บอกว่าเขาทำได้จนเขาบอกว่ากายพลงกายพิการแต่จิตจดใสร่างกายพิกา ร, กดดากาการอวนันนี้คนหมอที่กลับก่อนสองคนขอปลูกป่าเลยพาไปปลูกป่าแราับก็ขอมวนเทพจานกับผลเลยให้ไปมนันไปดูมันทำให้เรา ไม่สิจบกับสิ่งใดต้องสู้่ะพวกเราชีวิตไม่ใช่วันนี้วันเดียวเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วในโลกนี้ไม่เลยที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งหลายหลายอย่างต้องหน้าสถานชีวิตเราถ้าไม่มาสถานมันใช่ไม่ได้ต้องสร้างต้องปฏิบัติทมนะวันนี้หลวงพ่อก็จะได้ไปอบรมนักเรียนสองแปดสิบคนที่วัดภูเขาทอง